มีมนุษย์หมดเลยอ่ะทำไมทำไมน่ากลัวขนาดนั้นแล้วในบรรดาจาักรวาลเหล่านี้ทั้งหมดมีพุทธเจ้าอยู่นี่อันเดียวเนี่ยนี่เจาพูทวีบเนี่ยแล้วแล้วเราจะมาเจอไหมเนี่ยมาไหมแล้วมากันได้ยังไงเนี่ยมากันได้ยังไงมาเจอเงี้ยแสดงว่ามีบุญใช่ไหม ใช่ไหมบุญดีจะไม่ถึงได้มาใช่ไหมแต่ประโยค้าดีไหมประโยค้าดีไหม อ, อ้าวเริ่มมาดีเมื่อไหร่อายุเท่าไหร่ประโยค้าดีงแต่เกิดเลยเปล่าเกิดมาก็พูดออกมาบอกว่าเราเป็นใหญ่เราประเสริฐเราเป็นเลิศชาตินี้เป็นภพสุดท้ายเลยเลยเปล่าไม่ไม่ใช่เลยใช่ไหมนั่นไม่ใช่าศาตร์มีบุญแล้วถ้งนั้นเนี่ยใช่ไหม อ, อ้าวั้างั้นลองลองลงมาหน่อย เอาประเภทที่บอกว่าพอได้ยินว่าพุทโธเนี่ยทนไม่ไหวเลยอยู่ไม่ไหวเลยเป็นจัดประเภทนี้ไหมเอาไม่ใช่อีกงั้นก็เอาระดับไหนดีะระดับพอได้ไปฟงังธรรมครั้งหนึ่งมีลูกเป็นลูกชายคนเดียวเป็นลูกสาวคนเดียวต่างๆเหล่านี้กลับมาเบีเสร็จแล้วก็จะบวชพอพ่อแม่ไม่ให้บวชแล้วไป น, นอนอยืนนอกชานเลยบอกว่าถ้าไม่ได้บวชจะตายแล้วยอมตายแล้ถึงขนาดนั้นหม อ้าวไม่เป็้นอีกเข้าใจยังเลยวนี้คนี่เข้าใจคําว่าประโยควิบัติหรือยังเพาะมันเพี้ยนผิดกันมาตลอดที่ผ่านมาเนี่ยอย่าไปคิดว่าเรานี่เป็นสัตว์ที่มีประโยคนสมบัติประโยคนวิบัติท่านประกอบผิดไข้ควรผิดไข้คิดผิดมาตลอดนั่นแหละ ใช่ไหมเพราะเราไม่เราไม่ยาประเภทกระตุ้นแรงขนาดนั้นเลยใช่ไหมโหยหาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเลยเป็นอย่างนั้นไหมกำลังวิ่งเหรว่าถูกกามก็วิ่งหรอเนกขม่าเนี่ยไหนไแร ง, งกว่ากันก็ดูแค่ตรงนี้เนาะใช่ไหมแล้วจะได้รู้ว่าอ๋อเนี่ยประเภทไหนถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นคำว่า เออมันบุญตัวให้ผลมาเป็นบุญที่ดีแต่ด้วยอัตยาสัยที่ยาวนานเพราะรปโยควิบัติมาแสนยาวนานแล้วก็มาตักเตือนนี่ก็เลยกลายเป็นคิดผิดมาตลอดเอาว่าถ้าอยู่ในสิ่งที่ดีแล้วได้เหตุปัจจัยที่ดีแล้วทำไมถึงคิดไม่ได้ <No. S 1> เนาะอ้าอย่างอย่างเนรทำไมคิดไม่ออ แสดงว่าพบชาติเป็ทับถมมาบุญเขาดีนะก็ถูกผักดันเข้ามานี่แต่ไม่ได้เฮ้ยม่ น, น่ากรุณากันอย่างนี้นะเนาะจริงๆเขาน่าจะได้นะแต่ไม่ได้นุ๊แต่เขาก็มีอัจยาสายอยู่เนี้ยไม่ใช่ไม่มีถ้าเขาตั้งไว้ดีๆต่างๆเขาคิดดีๆน่ะถ้าบุญเก่ามาเตือนเ้ายิงเขาไม่ออกหรอกนี่บุญก็ไม่เตือนเขาแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งบุญจะเตือนเขา ใช่ไหมแล้วก็ตั้งกรุณาเขาอย่างทั้งเมตตาทั้งกรุณาตั้งมุทิตาว่าอสักวันหนึ่งบุญจะเตือนเขาถ้าบุญเตือนเขาเมา่อไรเนี่ยก็จะเดินออกจากบ้านเลยแล้วเขาจะมาบวชอาตมาไม่ได้ไปยกเลอาตมาอยากอยากอยากอยากได้ฐานะอย่างนี้ตอนตอนตอ น, ตอนขนาดเขานี่แต่อาตมาถูกปิดถูกห้ามพ่อเนี่ยห้ามเลยต้อไปถามนั่านดูดิท่านเป็นคนห้ามเลย อามายัยบวดรแตอันมาออกไม่ได้แล้วก็ถูกปิดมาอย่างยาวไกลเลยนะจนอายุสิบเก้าเป็นอายุสิบเก้าเลยถูกปิดยาวมหต้องคิดดูที่เหมือนเอาอาณาไปขังในคกุกไม่ทำก็บุญคุณพ่อไม่แห่อะไรก็ไม่รู้ทำากันไหมทำเงินไหม แล้วบน่นบ่อยมากบ่นบอกพี่ชายบอกใครพี่ชายก็บอกเฮ้ยนั่นไปพี่ชายเขาไม่ไม่ได้มีอัธยาศัยทั้งนี้แล้าก็ด่าบ้างว่าบ้างไอความอยากเขาหาว่าเรามาขี้เกียจจะหลบงานเพื่อจะมาบวชเขาใจใช่ไห ม, มเขามองแค่นั้นแหละัปมาก็ฟังไปฟังมาเออหรือเราขี้เกียจจริงๆว่า ก็เลยต้องทํางานกับเขาทําก็ไม่ค่อยเป็นทําอะไรก็ผิดผิดพลาดพลาดเป็นคนที่ทําอะไรไม่ค่อยเป็นทํำอะไรไม่ค่อยเป็นไรไเราทั้งโลกเนี่ยเรามาโง่ที่สุดเลก็ขอยโง่ทั้งโลกนี้ตลอดไปเลยโง่เ <c oughs> นี่ยมันฐานะนี้เป็นบุญก็มากหนึแต่เราไม่ได้ฐานะนี้เนาะเราไม่ได้ฐานะนี้ มันเป็นมันมันเป็นบุญของเขาเนี่ยที่เขาถูกขับเคลื่อนอะไรก็ไม่รู้พ่อแม่บางใครบ้ังผลักดันเข้ามานี่เนี่ยโอ้โหเออนั่นแหละเขาเขาไปโยคะตรงเนี้ยตรงใหญ่มเดี๋ยวตรงเนี้ย ม, มันมันฐานะลองคิดดูที่พวกเราไม่มีฐานะนี้นะนั่นกันเดิยที่นั่งเนี่ยไม่เป็นผู้ชายเนะี่ยไม่ได้นฐะานะนั้นเนะี่ยแล้วมาฐานะนี้ก็ปลอดโปร่งเขาโล่งมากยุคนี้ยังยังยังเดินได้ด้วยเนาะ เขไม่ต้องดิ้นรนในเรื่องสแสวงหาทรัพย์ด้วยเ อ, อ้า เ, เขาต้องการจะรู้ว่าทำคือเขาจะไม่เดือดร้อนเลยอ่ะเขาไปอยู่ในที่ไหนเนี่ยนะมแต่ว่าเขาคิดไม่ได้มันอะไรฝังใจเขาเห็นไหมสิ่งแวดล้อมที่ไปเกิดแล้วถ้าเราไปเกิดอย่างนั้นมาเราจะคิดดอย่างเขาไม่ได้ก็คิดไม่ต่างจากเขาเลยตอนนี้ล้วก็จะถูกแวดล้อมได้ทั้งไก่ทั้งเป็ดทั้งอะไรต่างๆก็มันล่อกันไปใช่ไม ติดอาหารจิตแต่เกมจิตแต่ก็ว่ากันไม่ได้ยุคปัจจุบันเนี่ยเพราะไอ้กลับดักของมานมันเยอะกลับดักของมานมันเยอะนี่เนี่ยตรงเนี้ยคือเรามองให้เห็นเลยว่าสถานะบางอย่างเราอยากได้แต่เราก็ไม่ได้แต่คนบางคนได้สถานะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็คิดไม่ถูกอีกมันก็เลยเป็นโทษของสังสารวัตทั้งส่วนเขาและเราเนีทั้งคู่เลยไม่ต่างอะไรเลยตยวนี้ใช่ไหม ทั้งๆ ท, ที่อย่างเราเนี่ยน่าจะได้ฐ า, านะนั้นหลายๆคนนะอยากเป็นเพศ ช, ชายนะอยากจะได้ผมบ้าเหลืองใช่ไหมแต่หลายๆคนก็อยากออกจากพัดเราตตรงเนี้ยโมันมันก็นี่จะได้เห็นไงว่ามันเนี่ยมันเป็นนี้ทังคนต่อรองกันจนสารพัดจะต่อรองกันมานี่อยู่กับเด็กมาเนี่รู้คือ เอามาในผ่านผ่านกลุ่มเน้นเหล่านี้มาเยอะมากพยานเฟ้นหาเฟ้นหายิ่งยากขึ้นยากขึ้นนานๆจะเจอขนาดเจอประเภทที่เขาตั้งใจแล้วนะต้องดูให้ดีนะเนะี่ยแล้วเขามีอัธยาศัยเดิมแรงนะแต่พอไปเจอสิ่งแวดล้อมมีอย่างเขาเปลี่ยนดันดีและไปเยอะแยะหมดเลยบางคนนี่จมาทานแต่เด็กขนาดนี้เลยนะเจอเยอะมาอัมาจนเดี๋ยวนี้ไม่ดีใาเสียใจกับเรื่องเหล่านี้เลยนะ เพราะบางคนเนี่ย น, นมาแบบว่าประกาศขออยู่ตลอดชีวิตเลยนะเป็นเด็กๆ เ, เขาพูดเขาเาเองทําเขาเองแบบเสร็จแต่เขาเขามาอยู่ได้สักเดือนกว่าเขาเปลี่ยนอีกแล้วแสดงว่าแรงกระตุ้นเขาก็มีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีทีนี้พอออกไปก็บอกโอ้บางคนนี่ร้องไห้เอาลูกถึกกลัวลูกๆอย่างเงี้ยพ่ลูกน้อมมาทีงนี้พ่อไปอยู่ได้สักปีกว่าผลักดันยังไงมันก็ไม่หวดไปเลยแต่นี้อีกเยอะเคยเจอเจอย่างนี้เยอะเนี่ ย, ยข้างนี่ก็เจอทีนี้มีครอบครัวไปแล้ว ชวนบวชยังไม่เอาเลยเดี๋ยวนี้แล้วอีกคนนึงอ่ะหนักไปกว่านั้นก็คือว่าเป็นเด็กๆ เ, เนี่ยอัธยาศัยมาบวชทุกปีหกเจ็ดปีนี่มาบวชเหมือนบวชปีละเดือนละเดือนนี่นะแล้วเขตั้งอัธยาศัยไว้เขาก็าจบเนี่ยอะจะไปจะไปมหกเนี่ยเขาจะบวชตลอดชีวิตแล้วอันมาโอ้โหูปไปมาเดี๋ยวนี้ไม่เอาเลยพูดเรื่องบวชอย่าพูดให้เขาได้ฟังด้วยแล้วนะมาบวชไม่ตามกว่าหกปี เ ข, เขาทำไมเขาชอบใจพระพุทธเจ้าขนาดหนักแล้วเป็นเด็กคนเนี้ถ้าเรื่องของพระพุทธเจ้านี่อ่านหมดศึกษาหมดแล้วต่อมาหมเขากลับกลายเป็นเด็กที่เกทเที่ยวติดยาเอาสินี่คือโทษจริงๆถามว่าอะไรอะไรตอนนั้นที่ขับเคลื่อนเขาแรงขนาดนั้นแน้วอธมานี่นน ม, นมีส่วนทำให้คนอีก มุ่งมันในภูฏยาได้ในขระดเดียวกันใดมาก็รักษาสถานะของเขานั้นไม่ได้เพราะเราไม่อยู่กับเขาได้ตลอดสมัยก่อนอามาเล่าเรื่องประวัติของภูยาพเพราะอามาก็ตื่นเต้นเวลาเล่าใช่ไหมแต่ไม่ได้เล่าลึกซึ้งอย่างนี้นะเล่าไปตามธรรมชาตินะเด็กเขาก็โอ้โหตื่นเต้นกันมางคนนี่โห อ, อยากอยู่แล้วเมันเดี๋ยวนี้ไม่เล่าแล้วเล่าแล้วเขาก็เป็นในพักเดียว แต่เป็นได้พักเดียวกระแสจิตเขาเนี่ยเป็นอธัธยาศาัยเข้าไปแล้วนเดี๋ยวเขาสักวันหนึ่งพบใดพบหนึ่งเขาคงน้อมได้บามันฝังในกระแสจิตเข้าไปแล้วก็ถือว่าจะมาทําตรงนั้นแล้วนั้นในด้านของตรงนี้นะบอกว่าบรรดามนุษย์อันหาประมาณไม่ได้ในจักรวาลหาประมาณนะมนุษย์แม้สองคนที่จะเหมือนกันเป็นคนเดียวกันโดยมีผิวพรรณและสันธานไม่มีเลยเพราะงั้นคือในมนุษย์นี่นะทั้งจักรวาลนี่นะจะเอาให้มัน เหมือนกันเนี่ยเหมือนกันเป็นอันเดียวกันโดยผิวพันธุ์และสันธานไม่มีดูเหมือนแต่มันไม่เหมือนมันทำไมประหลาดขนาดนั้นเห็นไหมมันคนละกรรมจริงๆแม้ฝาแฝดเนี่ยลองไปดูดิเรานึกว่ามันเหมือนไม่เหมือนผิวไม่เหมือนสันธานไม่เหมือนบางคนก็เตี้ยหน่อยสูงหน่อยมันจะมีนเห็นไหม ตัวเลือ่อมเลื่อมล้ําตัวนั้นมีอยู่และตั้งจักรวาลที่นับไม่ได้มนุษย์ที่หาประมาณไม่ได้เนี่ยเอามาเรียงกันเนี่ยไม่เหมือนกันเลยประหลาดไม่ล่ะก ร, ระําอ่ะประหลาดไม่สังสารวัฏเนี่ยประหลาดไม่ตัวดูบุญดูบาบดูผลบุญผลบาปเนี่ยประหลาดมากอัธยาศัยไม่ต้องพูดถึงก็รูปประคันยังต่างกันอย่างนี้เนี่ยออกมาจากพ่อก็ไม่เคยเหมือนพ่อแล้วก็บอกโอ้หน้าตาเหมือนพ่อพูดกันไ่ม แต่โดยผิวพรรณโดยสันธานไม่เหมือนจริงๆสักลายเลยก็ทั้งจักราวาลหาประมาณไม่ได้แล้วก็มนุษย์ที่หาประมาณไม่ไแม้มนุษย์เราใดนะที่เป็นพวกบางแห่งซึ่งเป็นคู่น้องเอฟฟ้าแปดเนะี่ยจะเหมือนกันเป็นเดียวกันโดยผิวพรรณโดยสันธานไม่ได้มีความต่างกันนะการมองดูการเหลียวดูการพูดการหัวเราะการเดินการยืนเป็นต้นต่างกันไหมละ่ะมันต่างกันแน่ สัญญานในปฏิสนธฑที่ของสัตว์เหล่านั้นเป็นบางทีก็เป็นตีเหตุบ้างเป็นทวีเหตุบ้างเป็นอเไรทุกขเหตุบ้างยิ่งต่างกันใหญ่เลยกลายต่างไหมสัญญาต่างไหมกายก็ต่างกันจริงๆมนุษย์นี่นะจะเผ่าพันธุ์แต่และต่าออกมาจะท้องเดียวกันแม่เดียวกันอะไรก็แล้วแต่เหอะกายต่างไหมต่างตัวปฏิสนณฑอะ่ะ ตเหตุทวีเหตุอเหตุุุกะในบรรดาติเหตุก็ยังต่างอีกบางคนตีเหตุที่มีมีปัญญาเยอะบางคนติเหตุปัญญาน้อยไหมบางคนความเพียรเยอะบางคนความเพียรน้อยบางคนสติมากนะบางคนสติไม่ค่อยแข็งแรงนี่ะบางคนสมาธิสมาธิศรัทธาเลยกว่าไปอินทรีย์ต่างใช่ไหมเกี่ยวในเรื่องของ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 ออกมาจากท้องแม่เดียวกันเนี่ยคานตามกันออกมานเนี่ยนะต่างอาตมากับญาติทุกคนไม่เหมือนกับเขาเลยเขาก็ไม่เหมือนอาตมาหรือเงี้ยทั้งรูปประทามก็ต่างทั้งนามประทามก็ต่างและอัธยาศัยก็ต่างสิ้นเชิงไหมสิ้นเชิงด้วยต่างแต่เราก็เป็นพ่อเป็นแม่กันนะใช่ไหม เป็นลูกใช่ไหมแต่ลูกต่างเยอมไหมล่ะผิวพรนต่างไหมปฏิสนธิอัตยาศัยต่างหมดเลยนั่นแหละเนี่คือกายต่างสัญญาต่างนี่คือความวิจิตของสังสารวัตรแต่ไม่ใช่ดูอย่างนี้ละเพลินนะกรรมเป็นตัวจัดสรร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 ฉะนั้นเมื่อเราเห็นอย่างนี้เบียดเสดตนะว่าเราโกรธอะไรใช่ไหมโกรธขันโกรธธาตุโกรธอายตนะเร า, ราพอใจอะไรพอใจขันพอใจธาตุพอใจอภิชาเราโทรมนานะทำไมเดินกับขันอายตนะธาตุเพราะสัตว์นั้นมีอวิชาปิดใช่ไหมทายัางไงเราจะเพิกอวิชาออกได้ก็ต้องอบรมสิกขาสามให้สู่กระแสของขันธาตุอายตนะให้ได้ใช่ไหม ไอตัวเนี้ยต้องปลุกเล้าขึ้นมาบอกว่าถ้าขนันอัตนริยะธาตุนี่จะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องมีสิกขาสามพ่อคูณสิกขาสามตัว น, นั้นการพ่อคูณศิกขาสามลงในขนันธาตุอัจฉระให้มากที่สุดตัว น, นั้นแหละขันอัจฉริยะธาตุมันจะได้เดินไม่ปิดรู ป, ปิดทางและในทีนจริงมันจะเดินออกสังสารวัฏได้เลยตัดสังสารวัฏได้เลยใช่ไหมนี่วันนี้พูดสังสารวัฏเยอะจังใช่ไหม ถ้าเขียนไม่ได้มันรู้ไปใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมถ้าเขียนไม่ได้รู้ไปใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ยถ้าเขียนไม่ได้อย่างงี้ก็โอ้ไม่รู้จะไปใช้ะอะไรแล้วถ้าเป็นการติวเข้มต้องสรารวัตรสองวันเนี่ยสองวันในเงี้ยใช่ไหมโดยที่ไม่อาจก็เยอะที่บันทึกไปเนี่ยคงจะได้ประมาณสิบชั่วโมงกว่าจะทำไปไหนตอนนี้สกว่าไปแล้วเนี่ยนะ ทีนี้ตรงนี้ก็ไปฟังไปโทดทวนทีนี้ประการต่อไปก็คือว่าตีเหตุบ้างทวีเหตุบ้างเหตุกัเหตุบ้างเพราะฉะนั้นมนุษย์ทั้งหมดแม้เหล่านั้นจึงชื่อว่านาน า, นาตากายานานาตัสัญญีมีกายต่างมีสัญญาต่างเนาะอันนี้ชัดเจนเลยนลนะมนุษย์และเทวดาบางเหล่านี้นะส่วนกายของเทวดาบางพวกในหมู่ชั้นฉะ ก, กามาวจรฉนะแปลหกเนาะ ตั้งแต่ไหนจากต้นไปจนถึงปรณิมิสวสววติไปไล่เอาไปไล่ก็คือไปเรียบเรียงไล่าตามลําดับเนาะในฉากการมาวาจรนะั้นมีสีเขียวก็มีไหมสีเหลืองมีไหมสีเขียวสีขาวสีเหลืองอะไรต่างๆอันนั้นคือกายเทวดาเนี่ยมีกายต่างกันเพราะกรรมวิจิตวิบากของของเขาจะต่างกันใช่ไหมรู ป, ปกายของเทวดาแต่และกลุ่มเนี่ยมีสีต่างกันโอ้พูดเงี้ยงามมากขันทารยัตาน้าของเขาเนี่ยนะ มีสีประหลาดประหลาดเป็นไปตามสภาพของกรรมนี่มันผู้พูดเนี่ยทาให้เห็นไม่แต่รู้เข้าใจใช่ไหมตามพระธรรมของพระเจ้าเนี่ยเทวดานั้นมีกายจ้ะเชื่อไหมถ้าเราเห็นเทวดากันได้หรือเข้าใจในเทวดาในพระธรรมคำสอนพระเจ้าเนี่ยเราไม่อยากแต่งกายเลยเราอยากแต่งธรรมดาเท่านั้น เพราะอะไรรูม้มเพราะกายของเราเนี่ของมนุษย์เนี่ยมันหยาบมากใช่ไหมนั่นน่ะบอกลิงถูกไฟไหมนั่งอยู่บนตอหางด้วนลิงตัวนั้นกับเทวดาใช่ไหมแล้วก็มาเทียบกับคนที่งามที่สุดนะ่กะกับลิงอันนะ สัตว์โลกทั้งหลายนะที่วา่าเราล่างามที่สุดในจักรวาลทั้งสิ้นต่างๆที่อยู่เป็นกลุ่ ม, มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเหมือนลิงงามเหมือนลิงถ้าไปเทียบกับเทวดาเราจะได้เห็นว่าโอ้โอมันวิจิตขนาดนี้ไอตัวรูปกระขนใช่ไหมรูปกระขนนี่มันถูกกรรมตกแตง่งนั้นเวลาเทวดาเขาเห็นหนางงามจักรวาลของประเทศไทยนี่ยหรือของโลกนี่นะ เขาเห็นเขาบอกโอ้โหทำไมเอาลิงใช่ไหมที่ถูกหางก็ด้วนดูลิงแก่ด้วยทำไมเอามาโชว์เป็นคนงามที่สุดได้เนาะเนี่ยฉนั้นคือบอกว่าเวลาพระอนุรุธทธาเนี่ยไปเห็นเทวดาเนี่ยที่พระเจ้าพาไปดูเนี่ยพระอนุรุทธาเอไม่ใช่พระนุรพระ น, านันธาเนี่ย ท่านพนันทะจึงลืมภรรยายมันดูดใ จ, จขนาดนั้นในวัตถุกลามเลลืมเลยลืมแล้วเปรียบเทียบอุปมาออกมาอะไรเงี้ยเนี่ยเราก็จะเห็นโอ้โหเนี่ใช่ไหมฉนั้นถ้าเรามองอย่างสายตาของคนที่จะออกจากวัตตาทั้งหลายก็จะเห็นโอ้สภาพของใน เนี่ยที่ว่าร่างกายเป็นหยาบอย่างนี้เพราะเหมาะกการที่จะมาเจริญอสุภะภาวนาใช่ไหมนั้นในเทวดานั้นการเจริญอสุภะภาวนาจึงไม่ค่อยชัดในเหมือนในมนุษย์ในมนุษย์นี่เราสามารถที่จะมควักไปดูข้างในได้เลยใช่ไหมจะลอกไปดูข้างในก็ได้โอ้เทวในข้างในเต็มไปด้วยของไม่งามอะไรทั้งหลายเป็นต้นใช่ ดังนี้ฉะนั้นในเทวดาบางเหล่าก็คือมีสีต่างๆกัน ด, ด, ดังที่ได้กล่าวสีเขียวบ้างมีสีเหลืองสีขาวเป็นต้นนะ่ะสัญญาในปฏิสนธิของเทวดาก็มีทั้งติเหตุมีไหมทวิเหตุเนาะแต่ถ้าเทวดาชั้นสูงๆเขาไม่มีพวกอเหตุกะอยู่แล้วเนาะก็เป็นอย่างนี้นะเทวดาเหล่านั้นชื่อวานานหนาตากายานานาตาสัญญามีกายต่างก็มีสัญญาต่างส่วนวินิปาติกาบางพวกเป็นพวกที่พ้นแล้วจากอะบายนะ ้นจากการเกิดเป็นสัตว์นโกเปรตสุลกายส ต, ตรยาสารเนี่ยฉันเนี่ยนะเหมือนใครเหมือนนางอุตรมาตายักษิเนียหรือนางปียังกรมามานางธรรมคุตตาได้ดูในธรรมบทไหมเคยศึกษาในธรรมบทเนาะกายของวิณีปาทิกาเหล่านี้มีความต่างกันโดยสีเขียวสีดำและมีผิวด่างมีผิวคั้เป็นต้นบางทีก็ผอมบางทีก็อ้วนบางทีก็เตีย้ยบางทีก็สูง แม้สัญญาปฏิสนธิก็มีความต่างกันก็เลยเป็นติเหตุทวีเหตุแล้วก็เป็นอเหตทธุกะเห็นไหมเขาเป็นอย่างมนุษย์นี่แหละแต่เขาเป็นตระกูลยักษ์พวกตระกูลยักษ์ในผิวเขาดาผมหยิกผิวดําหน้ า, กาเกาะนี่ไหมคอก็สั้นๆเนี่ยนะเ <Ā> <många> ขาเป็นอย่างนั้นบางทีเขาก็อยู่ตามเขาอยู่ตามนี่ตา่างๆอันนี้ตามตำราเนะ ตามตำราแต่มาพูดมันเชื่อเขาเป็นอย่างนี้แล้วก็เนี่ยเขามาฟังทำรรแย่ๆหมดเละนี่เขฟังทำแต่เราไม่เห็นเขานี่นะทีนี้เหมือนอย่างพวกมนุษย์วินิจปาติกาเหล่านี้มีศักย์ใหญ่อย่างเทวดามีศักย์น้อยก็มีมีอาหารมีเครื่องนุง่งห่มหาได้ยากถูกความทุกข์บีบคั้นยักษ์เหล่านี้เหมือนเด็กกพาพร้า บางพวกก็ค้างแรมลําบากเออค้างบางพวกก็ค้างแรลำบากพวกบางพวกค้างขึ้นลำบากนี่นะเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าวินิพัติกะเพราะมีความหมายว่ามีความตกพินาศไปจากกองแห่งความสุขวินิปาติกะเนี่ยเขาว่าตกไปพินาศไปจากกองของความสุขแล้วเขาไม่มีความสุขแต่พน้นในอยังถ้าไปเกิดเป็นกลุ่มนี้ก็ยุ่งเลยยุ่งเลยที่ยุค ป, ปัจจุบันนี้ยุ่งเลยยุ่งมากๆเลย นักกวมนุษย์เขาวินิปาติกาบางเหล่าแต่เขาบรรลุทําได้นะ เ, เขาบรรลุทําได้ด้วยในะกูลยักษ์เนะี่ยยักษ์บางกลุ่มนี่ดูร้ายด้วยบางกลุ่มดูร้ายทีนี้เพราะเป็นผู้ตกไปจากความพินาศจะความสุขแม้ว่าเป็นแม้มีความเป็นเทพนะก็ไม่มีทิพยสมบัติ ฉันวินิปัติการเราใดเป็นตีเหตุแม้ตัสรู้ธรรมก็ย่อมมีแก่วินิปัติกาเรเหล่านั้นปียังกะระมาตายัคคีนีตอนที่ท่านปัณณุรุทธะสั่งวัจจาปรธรรมอยู่ในเวลาเช้ามืดเนี่ยท่านปัณณุรุทธะเนี่ยท่านจัดสาธยายประธรรมพระเนี่ยตอนเชา้าตอนอะไรต่างๆหรือเปล่าท่านจะสาธยายทําไมท่านสาธยายเอ่ะถ้าทำไมต้องสาธยายท่านสาธยายทําไมตอบหน่อยดิยมันยันุรี สาธยายคือปฏิบัติธรรมนั้นพระที่ท่านเป็นบุญชนเป็นแรงต่างที่ท่านสายทยายเพราะท่านต้องการจะบรรลุเพราะการสาธยายเพราะการสายยายนเราบรรลุวดีเยอะแยะไม่ใช่ร้อยไม่ใช่พันมากกว่านั้นในทุกวันนี้ไม่ใครเคยคิดว่าจะสาธยายนเ่อจะได้บรรลุไหมล่ะเพราะว่าการบรรลุเนี่ยฟังจากพระุทธเจ้าสาวกพระุทธเจ้าแล้วก็แสดงธรรมก็บรรลุใช่ไหม ฮะใช่ไหมตรงนั้นอะ่ะถามในขณะที่เราไปสวดมนต์เราเคยคิดไหมจะได้เป็นปจัจจัยการบรรลุเนี่นาายใช่มงั้นการสาธยายเขาน้อมสาธยายเพื่อรู้อัฏฐธรรมะมเพื่อเกิดปราหม้อปีติประสิทธิความสุข<ม>ใช่ไหมฉะนั้นการสาธยายของท่านเนี่ยแล้วอย่างหนึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นเขาจะสาธยายเป็นสูตรไม่ใช่สาทยายอย่างทุกวันนี้ ทุกวันนี้สายยายกันคึ้นรึ่งกลางๆอพุทธคุณเนี่ยสายายไปเธอจบไปเอคนฟังเยอะสายยายอยู่คนเดียวแต่ก็มีคนแอบฟังเยอะนี่เราคิดว่าไม่มีใครฟังไงใช่ไหมไปตั้งหลักใหม่แล้วเนี้เ <c oughs> วลาสายายเนี่ ย, เ ช, เ, ยเชิญท่านทั้งหลายมาฟังก็พร้ยาจะกล่าวพระธรรมแล้วก็นั่งสายายไปเลยไม่ว้าวี ใช่ไหมเทวดามาฟังยยรบงรรลุได้เลย น, นั่นแหละทีนี้วินิปาติกาเราได้เป็นตีเหตุนะแต่สรุปทาได้ด้วยปียังการาม า, ายาคีนีอ่ะที่ฟังท่านพานุษษสาธยายท่านได้ฟังแล้วท่านปลอบบุรน้อยของนตนเองใช่ไหมบอกว่าดูก่อนปียังกระ เจ้าอย่าส่งเสียงดังภิกูุน์กำลังกล่าวบทพระธรรมทั้งหลายอยู่เออก็เรารู้แจ้งบทแห่งธรรมแล้วปฏิบัติข้อนั้นจะพึงเต้นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่เราทั้งหลายเราจะสำรวมในสัตว์ทั้งหลายจะไม่พูดสำสมปชานมูสาคือจะไม่พูดเท็ปทั้งทั้งที่รู้ แล้วก็จะศึกษาความเป็นผู้มีศีลดีของตนเราจักพ้นจากกำเนิดปีศาจได้โดยแท้ได้บรรลุโสดาปฏิผลในวันนั้นเนี่ยฟังที่ท่านฟังท่านสาธยะนางอุตราฟังธรรมจากพระเจ้าแล้วเป็นพระโสดาบันก็วินิปาติกาเหล่านี้มีความต่างกันโดยกายและสัญญาในปฏิสนธิถึงการนับว่าเป็นนานาตากายะนาน า, นาตสัญญีมีกายต่างมีสัญญาต่างนั่นเองนี่เป็นอย่างนี้ นี่กลุ่มกายต่างสัญญาตะโอ้โหท่านก็มีบุญท่านนะเป็นพระโสดาบันไปแล้วเนไหมยักษ์ยังเป็นมรรลุเป็นพระโสดาบันเราได้อาตภาพเป็นมนุษย์หนึ่งจา <c oughs> มทีนี้พวกพรมชั้นพรมกายิการตั้งแต่ปฐมฌานเนีนะที่ <c oughs> ต่างกันโดยประเภทชั้นต่ำชั้นกลางแล้วก็ชั้นประณิท เรียกกว่าพรหมมปริสัชจาพ ร, มมาร ห, าหมมะโปรยตามหาพรหมเนี่นะพวกสัตว์ในใบยพูมิทั้งสี่พวกสัตว์นรกเอยสัตว์เรอยฉานเปตอสุรกายเป็นนานาตากายะเอกะตะสัญญีมีกายต่างแต่มีสัญญาอย่างเดียวกันกายเขาต่างกันนะแต่ปฏิญที่อันเดียวกันตัวปฏิญที่เหมือนกันเลยเนี่ยบรรดาพรหมชั้นพรหมวิกายิกาเหล่านี้กายของพรหมโปรโหิตเป็นกายที่ไปบุญกว่าแล้วก็ประมาณกว่าพรหมมะประสทธิ์ พมบริษัทคือเขากลางกายเขาส่วนกายของมหาพรมเป็นกายที่ไปบูนกว่าพรมของพรมปุโรหิตากายของพรมเหล่านั้นเป็นกายที่โอลานกว่าพรมชั้นต่ําๆแม้ด้วยอนุภาพก็จริงอยู่ถึงกระนั้นนะข้อนั้นไม่ได้เป็นประมาณในที่นี้จริงอย่างนั้นนะแม้ว่ากายของพมเปปริตตาภาเป็นต้นและพรมของพรมปริตสุภาเนี่ยเป็นกายที่ประมาณคือมีอนุภาพนะท่านก็กําหนดด้วยนานความเป็นอันเดียวกัน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 เหมือนอย่างพวกพรมชั้นพรมมัปริกกไอพรมมากายิกาเป็นต้นชั้นใดพวกอบายสัตว์อบายสัตว์เนี่ยคือสัตว์นรกนั้นนะมีอัตภาพยาวขาวุธบ้างบางพวกวก็กึ่งโยศนะเนี่ยบางพวกวก็เป็นยศเนี่นะพระเทวทัพมีอัตภาพถึงร้อโยศโอ้โหทําไมใหญ่ยาวขนาดนั้นเอาเพื่อเพื่อ กายยปัสสัตจะได้กว้างจะได้รองรับทุกขเวทนาที่ฉีดมาจากทิศทั้งหกทิศทั้งแปดเพื่อจะได้เหมาะแก่กรรมที่ทำใั่ไม่สัตติกายใหญ่เวลาทุกขะทุกมากพระเทวทัตใหญ่กว่าช้างหลายร้อยหลายพันเชือกก็ร้อยโยด คือสัตว์สัตว์ในอใบยภูมิเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีร่างกายโปร่งไม่ชนกันเป็นสัตว์ประหลาดมากใหญ่ขนาดนั้นสามารถอยู่ด้วยกันแย่หมดแล้วกายของใครของมันแล้วก็ด้รับทุ ก, ทกตามกรรมของแต่ละบุคคลประหลาดมากเดินไม่ชนกันประหลาดมากแต่ออกจากห้อ ง, องตรงนั้นไม่ได้ฉะนั้นจะทรมานมากกายหยาบแต่หยาบประเภทที่มัน โปรง่งใท่านไหนก็ไม่รู้เดินไม่ชนกันเรอประหลาดมากไปดูดิเทวทูตสูตรไม่อ่านดูดุยชั้นของดีกาอัจฉริยะแล้ดีกาเรื่อประหลาดแท้นี่กรรมวิจิตขนาดนั้นใช่ไหมอย่าแปลกใจใช่ไหมแต่ก่อนโอ้เขออาจะหายใจยังไง่ามาไปเปิดดุลหนอนในซ่วมแล้ดีเจ๋อไม่แปลกใจเลยขนาดอัดแน่นขนาดนั้นพอเปิดซ่วมออกมาเต็ไมไปหมดหัว ดำเต็ไมไปหมดยัวเยียะไปหมดแล้วอยู่ได้ไงอะ่ะถ้ากรรมไม่หล่อเลี้ยงก็ตั้งเหล่าให้ไปอยู่ดั ง, งนะั้นไม่ถึงจะมงตายเลยใช่ไหมเขาอยู่ได้เราตายเมื่อไหร่เด่นแต่ตัวเราก็จะมีหนอนยัวเยอะเต็มไปหมดนะน้อทีนี้แม้แต่พวกสัตว์ดิบดฉานบางเหล่าเนาะบางพวกก็มีขนาดเล็กบางพวกก็มีขนาดใหญ่นะแม้ในเปลดอนะนะ บางพวกก็มีลําตัวตั้งประมาณหกสิบซอกบ้างแปดสิบซอกบ้างบางพวกก็มีผิวงาบางพวกก็มีผิวสามอสูรห ร, หรือกาลันชิกะนะก็เป็นเหมือนกันนะปิติวิสัยอะเปตนี่นะในทีฆาปิติกะเปตมีลําตัวหกหกสิบยอส่วนสัญญาในปฏิสนธิของเปตเหล่านะั้นนั่นมันเป็นอกุศสนิบาศเหมือนกันเลยเนาะแม้พวกที่เป็นเกิดในบายก็ถึงการนะับว่ากายต่างแต่สัญญาเหมือนกันหมด เนะี่ยพวกนี้สัญญาตัวเดียวกันแหละอเุเบกขาสันตียนะอกุศนเะนี่ยเป็นสัญญาของเขานะส่วนทุติยอาจารพรมตั้งแต่ปริตตาพาประมาณนาพานะอภัสราเรียกว่าเอกตากายานานาตาสิก็คือมีกายอย่างเดียวกันแต่สัญญาต่างกายของพรมในทุติยอาจารพรมเหล่านี้ทั้งหมดนะ่ยมีประมาณอย่างเดียวกันนะส่วนสัญญาในปฏิสนธิมีความต่างกันเกี่ยวกับทุติยอาจรบ้างตติยอาจารบ้าง คือบางพวกก็เป็นพวกทุติยชนิบากบางพวกวก็ตัดทิยชนิบาศฉะนั้นไอตัวตัวสัญญามันต่างแต่ตัวรูปรูปเหมือนพวกพรหมปริตตสุภาประมาณะสุภาสุปกินหาในตัดทิยชานภูมิเอกตตกายะเอกตตะสัญญาพวกนี้ไกลก็อย่างเดียวกันสัญญาก็อย่างเดียวกันเนาะอันนี้เป็นกลุ่มในปฏิสนธิของเข้าในจตุทชาเนั่นแหละในอิบากเหมือนกันร่างกายก็เหมือนกันอาเวหาพราล่ะ ถ้าจัดเท่าในวิญญาณทิติที่สี่นี่ยแหละกายและสัญญาในประเด็นทิของพวกวิบากในปัญจมะชาในะรูปเหมือนเดียวกันเหมือนอันเดียวกันนะส่วนพรมสุทาวาสที่อยู่ในฝ่ายของวตตหรือวิวตะสุทาวาสนะอยู่ในวัตตหรือวิวตะวิวัตตะแล้วกลุ่มเหล่านี้เขากลุ่มที่จะพ้นจากวตตะวลาเขียนก็บอกด้วยนะนี่กลุ่มนี้เขาเรียกกลุ่มวิวัตะไม่ใช่กลุ่มวัตะ พ, พระภพเหล่านี้เป็นภ พ, พของพวกวิวัตตะภ พ, พที่เขาต้องการตัดวัตตะเขาถึงไปเขาถึงจะไปอยู่ในตรงนั้นได้เขาจะต้องมีคนคัดกรองอย่างดีเลยอยากไปอยู่ไหมล่ะต้องเป็นพระนาคาเขาว่าถ้าไม่เป็นพระนาคาเขาไม่ให้ไปเข้าไปเลยบัตรผ่านอย่างเดียวเท่านั้นคือมรรคที่สามนาคามีมรรคเป็นพระอนาคามีเข้าไปเขาจะต้อนรับอย่างดีเป็นสุดทาวาสเป็นภพเป็นชั้นที่บริสุทธิ์มาก ถ้อยู่วันนั้นก็สามารถลงมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ได้ถ้าต้องการอยากจะมากลัวจะไม่มาดี่ว่าไปแล้วมันลืมกันเลยว่าไปตรงนั้นใช่ไหมไม่อยากมาแล้วอยากมาไหมอ่ะไม่อยากมาแล้วใจท่านน้อมออกจากการบุคุลหมดแล้วเวน้นแต่ผูกพันจริงๆอย่างพายยาพารุทารุจริยาท่านก็มาบอกสักทีเนี่นะแล้วเราเคยทําสัมพันธ์ทําไมตีกับพระสุทธาวาสพระ ม, มบ้างหเนี่ยั่นแต่เกิดมามีท่านเตือนเราสักครั้งไหม โอ้โหบุญน้อยเกินเ้าบุคคลที่อยู่ในวิวัตานี่นะเขาไม่เคยมาเตือนเราเลยเนี่ยแสดงว่าเรายังไม่ค่อยมีอัธยาศัยเท่าไหร่จะได้รู้ตัวเองนุคือปัญหาเลยตอนนี้ยังอยากคนทุกข์อยู่ก็อยากค้นตั้งอัธยาศัยไปสักวันหนึ่งท่านจะมาสอนธรรมะเราเพราะไม่มีการเวียนกลับมาอีกไม่ใช่เกิดอยู่ในการทั้งหมดนะย่อมไม่เกิดขึ้นในโลกที่เว้นจากพระพุทธเจ้านย แม้ตั้งแสนกับแม้ตั้งอสองข่ยกับเมื่อพระเจ้าทั้งหลายยังไม่สริบัิขึ้นภายในหนึ่งแสหกหมื่นกับนั่นแล้วย่อมเกิดขึ้นเป็นเหมือนสถานที่เป็นค่ายพักของพระผู้มิภาคเจ้าของผู้แสดงธรรมจักนะผู้ทรงประกาศธรรมจักเพราะฉะนั้นจึงไม่จัดเข้าในวิญญาณนิติเขาบอกว่าเขาบอกว่าส่วนพรมชั้นสุทาวาสนั้นนะตั้งอยู่ในฝ่ายวัตตะ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 เพราะฉะนั้นจึงไม่จัดเข้าในวิญญาณนทีติไม่จัดเข้าในสัตาวาสเออสุดท่าวาท้มไม่จัดเข้าในวิญญาณนทีติเนาะไม่จัดเข้าในสุดท่าวาทเออไม่ขอไปไม่จัดเข้าในสัตาวาสตั้งใจ้หยเออไม่มีจริงเราลืมคีดข้อนี้ไปนะท่านไม่จัดไว้อันนี้มติหนึ่งเนาะจ่วนอาจารย์พระมหาสีวะเทระก็บอกว่าแม้สุดท่าวาสก็จัดนะสัตว์เป็นสตวาสที่สี่โดยพระสูตรวา่าดูก่อนสาริบุตร ที่อยู่ของสัตว์ที่เราไม่เคยอยู่โดยการอัญชานานนี้ไม่ใช่เป็นสารที่จะพึงหาได้ง่ายเว้นไว้แต่เทวดาชั้นสุดาวารคำของพระมหาศิวะเทรานั้นยอมกันเพราะพระสูตรไม่ขัดกันเพราะฉะนั้นหมู่สัตว์ในภูมิทั้งเก้ามีพรมชั้นปริตัสุภาเป็นต้นอะไรนี้มีภรมชั้นอคติฐาเป็นที่ต้น หากสัญญาสัตว์ออกไปเสียพึงถือว่าเป็นเอกตากายะเอกตัส e ัญญีมีกายอย่างเดียวก็มีสัญญาอย่างเดียวนี่นะส่วนสัญญาสาตาไม่รวมอยู่ในเพราะว่าไม่มีวิญญาณจริงอย่างนั้นเมื่อพทธเจ้ายังไม่ได้เสด็จดุบักเกิดขึ้นนักบวชพระทิพยนอกกลุ่มเหล่านี้ไม่รู้จักวั ต, ตะไม่รู้จักที่สุดของวั ต, ตะก็ทําบริกรรมวายโยสกสินยังจตุทชาณมือปัญจมาชาณให้ตั้งขึ้น ยังความพอใจชอบใจเราตําหนิจิตเราตําหนิจิตขึ้นชื่อว่าความไม่มีจิตนั่นแหละดีเขาคิดอย่างเงี้ยอาศัยจิตเนี่ยเราจึงถูกเป็นทุกข์ถูกฆ่าถูกจองจําโอ้ถูกทุกถูกตีเพราะการมีจิตนี่แหละทําให้เราท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่เนาะเมื่อไม่มีจิตทุกข์ก็ไม่มีมีฌานมีฌานไม่เสื่อมรอบทํากาลแล้วเกิดเป็นอสัญญาด้วยอำนาจแห่งปฏิสุนทรที่รูป อยาบทขั้นใดที่อยู่ในวางอยู่ในมนุษย์โลกนะท่านก็จะไปอยู่ในยาบทนั้นเช่นท่านยืนมรณาภาพอือไม่ใช่ท่านยืนตายนั่งตายนอนตายก็จะไปอยู่อย่างนั้นแหละห้าร้อยมหากรบความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณในสัญญีนั้นไม่มีเลยด้วยอำนาจแห่งสัญญาเวลาคาภาวนานี่นะ เพราะฉะนั้นอสัญ ญ, ญาศัสตร์เหล่านี้จึงไม่จัดเข้าในวิญญาณทิฏิเพราะไม่มีวิญญาณอันนี้เข้าใจแล้วเนะเาะเขาจะไปอยู่ท่าไหนถ้าถามบอกว่าเออพวกอสัญญาศัสตร์นี่ไปอยู่ท่าไหนบอกว่าตอนตายก็ตายท่าไหนตายท่านั่งก็ไปนั่งอยู่เป็นเหมือนผมลูกฟักตายท่ายืนก็ไปตั้งอยู่งั้นนะเปอนหินงนั้นนะถ้านอนก็ไปนอนอยู่งั้นนะพวกเจ้าเห็นนี่นะ โอ้โหหลักฐานที่ไหนทั้งในชั้นก็อธิกรรมฐานลยดีกาเนี่ยในดีกาดีกามีหลายที่ไม่บอกรายละเอียดไว้ว่ายืนตายนั่งตายนอนตายมีบอกไว้ใช่มเดี๋ยวมากไม่เคยบอกรายละเอียดไว้ท่านในดีกาจะขยายขยายมากกว่าเนว่าสัญญาณนะสัญญาจาชนะไม่รวมอยู่ในวิญญาณทิฏฐิเพราะมีวิญญาณที่ละเอียด เหมือนกับสัญญาท่านเลยไม่จัดเป็นวิญญาณนาทีติใช่ไหมจึงลดออกไปก็เหลือเจ็ดเลยทีนะเนวาสัญญาเนี่ยเป็นวิญญาณที่ไม่ใช่ไม่ไม่เป็นก็ไม่ใช่เนี่ยความที่วิญญาณถึงภาวะที่ละเอียดเหลือเหลือลงจากสองขานแล้วก็ไม่เป็นวิญญาณโดยประการทั้งปวงก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนวาสัญญานาสัญญาเนี่ยบอกเป็นวิญญาณก็ไม่ใช่ไม่ใช่วิญญาณก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นจึงไม่รวมอยู่ในวิญญาณนาทีตีมีกิจแห่งวิญญาณที่แจ่มชัดไม่มีอย่างนั้นนะ เทวดาหกชัน้นวินิปาติกามนุษย์ทั้งหลายสัตว์ที่มีกายต่างมีสัญญาต่างพวกพรมชั้นปฐมชาญและไบรรยะสัตว์มีกายต่างมีสัญญาอย่างเดียวกันพรมทุติยาชาญภูมิมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างพวกตัตยาชาญภูมินี่นะและพวกเจตุทะชาญเนะี่ยที่เว้นอสัญญาเนี่ยนะเป็นสัตว์ที่มีกายอย่างเดียวมีสัญญาอย่างเดียวกันวิญญาณทิตฐิทั้งสี่เหล่านี้กับอรูปอีกสามนะ อากาสาอากินแล้วกันเนวะนี่เป็นวิญญาณนทิติจึงนับเป็นเจ็ดเพิ่มตรงนั้นอีกสองก็เป็นเก้าเนาะจบและต่อไปก็โลกกระทำนี่พระพุทธเจ้ารู้แจ้งโลกเหล่านี้สัตารวาสแล้วก็วิญญาณนทิติเนาะต่อไปก็วิญญาณนิทิเจ็ดต่อไปโลกแปดก็คือโลกกระทำแปดโลกกระทำแปดนี้มีอะไรอะ่ะาเสื่อมลาบยอดเสื่อมยอดนินดาสารเสริญสุขทุกข์ที่ชื่อว่าโลกกระทเพราะเป็นธรรมของโลก โลกกระทำเหล่านี้เป็นตามที่มีอยู่อย่างแน่นอนกัสัตว์โลกไหมเพราะฉะนั้นสัตว์หลายอชื่อว่าพ้นจากโลกกระทมีหรือไม่มีไม่มีเนาะโลกกระทำตกไปตามโลกไปไปมาในบางค่าวและโลกก็ย่อมตกไปตามธรรมเหล่านั้นในบางข่าวเพราะบาลีที่ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโลกกระทำแปดก็คือลาบเสื่อมลาบมียอดเสื่อมยอดนินทาสารเสริอสุศกและทุกเนี่ยย่อมหมุนเวียนไปตามโลกและโลกก็หมุนเวียนไปตามโลกธระท ก า, า, า ร, รมมา <l ament> ไ, ได้อาหารและเครื่องนุ่งห่มเป็นต้นชื่อวลาบใช่ไหมเนี่ยได้ลาบอาหารและเครื่องนุ่งห่มเป็นต้นเหล่านั้นแหละชื่อวลาบเพราะเป็นสิ่งที่ควรได้ความไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นชื่อว่าเสื่อมลาบก็ลาบและความเสื่อมลาบนี่โดยสาวว่าลาบถือเอาด้วยความยินดีโดยสาวว่าความเสื่อมลาบถือเอาด้วยความยินร้ายเห็นไมถ้าถามบอกว่า มีลาบก็ยินดีเสื่อมลาบก็ยินไลมียอดก็ยินดีเสื่อมยอดก็ยินรไลเนาะแล้วก็เวียคนสารเสริญก็ยินดีมีคนดินทาก็ยินรายเนี่ยนะก็ไลไปเงี้ยเวลามีสุขก็ยินดีเวลามีทุกข์ก็ยินไลมันเป็นไปตามโลกไหยรู้แจ้งโลกอันนี้ไหมถ้ารู้แจ้งโลกอันนี้เขาเรียกว่ารู้แจ้งสังสารวัตรก็เอามาวิจัย ตรงเนี้ยนะมิใจตรงนีอันเนี้ยคนเห็นกันเยอะชาโลกชอบพู ด, ด, ยยดกันนะี้มีลาบเสริมลาบมีเยอะเสริมยอะตัวกันทีนี้ถามว่าเห็นโลกด้วยตัณหามานาทิฐิหรือไม่หรือเห็นด้วยโทสะหรือเห็นด้วยปัญญาถ้าเห็นด้วยปัญญาที่ตรงนี้เขาท่านหมายเอาปัญญาไปเห็นนะพอเห็นได้คนทั่วไปก็เห็นกันทั้งนั้นเลยพูดปลอบใจตนเองว่างปลอบใจคนอื่นมาก็เป็นธรรมบัญญ แต่เสียดายเด้อดร้ายไม่น่าจากไปเลยใช่ไหมเน้นไม่น่าจากไปเลยอย่าเงี้ยโทมนัดก็เกิดอย่างเงี้ยเขาเรียกเสื่อมลาบใช่ไหมถ้าเน้นอยู่ก็โอ้ยดีใจ ม, มีลาบเข้าใจไหมเพราะเน้นมีบุญไปบินาบาทได้อาหารเยอะถ้าเน้นไม่อยู่ยุ่งเลยใช่ไหมอย่างเงี้ยเข้าใจปะไม่รู้เรื่องอีก ตรงนี้ก็คือว่าราบนี่นะความที่เสื่อมราบก็เป็นอันมาแล้วเหมือนกันเขาบอกว่าในความยินดีและความยิ้มร้ายต่างๆเนี่ยพึงทราบประการถือว่าความยินดีมีราบเป็นอารมณ์เนี่ยและความยินร้ายมีการเสื่อมราบเป็นลมด้วยประการอย่างนี้ก็เมื่อราบมาถึงความเสื่อมราบมาถึงเหมือนกันไหมอา้าวเวลาราบมาถึงปุ๊บเชื่อว่าความเสื่อมราบตามไหมอย่างใช่หม ถ้าตามาปุ๊บความเสื่อมตาตามมาด้วยไหมหูมาปุ๊บความเสื่อมของหูก็ตามมาด้วยไหมจมูกมาปุ๊บความเสื่อมของจมูกลิ้นมาปุ๊บความเสื่อมของลิน้นกายมาปุ๊บความเสื่อมของกายผมมาความเสื่อมของผมรูปปัจขันมาทั้งหมดเดี๋ยวความเสื่อมของรูปปัจขันนามาขันอะไรเกิดมาสรุปแล้วโลกธรรมคือสังสารวัฏ ใช่ไหมนั้นได้อะไรมาเนะี่ยท่องไว้เลยเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวว่าได้ปุบ๊บเดี๋ยวก็เสื่อมเดี๋ยวก็เสื่อมม้ความเข้าใจพระธรมที่ยังไม่เป็นโลกรุตระก็ะได้มาเดี๋ยวศรัทธาได้มาเดี๋ยวก็ไม่ต้องระวังแล้วให้มันเสื่มให้มันดี่ให้มันเปลี่ยนขึ้นนะยัยมันพัฒนาขึ้นยัยมันถอยลงถอยลงนี่นมีลาบเสื่อมลาบมีศรัทธา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 โลกอยู่ที่ไหนลาบไปตรงนั้นนี่ยไอ้โรกระทำแปดเนี่ยมันไปกับโลกนี้มันอยู่กับโลกนี้ถ้ามีโลกก็มีโลกกระทำไม่มีโลกก็มีโลกกระทำถ้ามีสังสารวัตรก็มีโลกกระทำเนี่ยถ้าไม่มีสังสารวัตรก็ไม่มีโลกกระทำเอาไปละที่เดินสังสารวัตรไหมก็เดินไปกับโลกกระทำนี่แหละแล้วคุณจะเอามุมเดียวไม่ได้ฮะคุณจะเอาแบบมีราบมียศสุขแล้วแล้วสรรเสริญเนี่ยจะเอามุมเดียวไม่ได้คุณต้องยอมรับความมีความเสื่อมของมันเน่ย ยอมได้ไหมหรือยอมแบบไหนยอมแบบยอมแบบจำยอมหรือยอมแบบปัญญาต้องเข้าใจเข้าถึงห้องยิงใช่ไหมถ้าไม่เข้าใจเข้าถึงน่ะเราก็อยู่กับโลกใบนี้ด้วยความทุกข์ด้วยความทรมานใช่ไหมอาพุทธเจ้าบัตรเกิดขึ้นตอนนี้พุทธเจ้าปรินิพานเตื่อนไปไหมนะั่นใช่ไหมพราะทํำพุทธเจ้าตอนนี้ตั้งอยู่เดี๋ยวก็อีกไม่กี่ปีก็อีกไม่กี่พันปีก็หลุดเตือมไหมนี่ไงโลกธรรม เข้าใจยังโอ้ยาวเลยงานนี้วิจัยยาวเลยเนีฉะนั้นโยมไม่ต้องทาเป็นขั้นตอนแล้วใช่างัแล้วโยมไม่ต้องทาเป็นขั้นตอนแล้วเอาความเข้าใจมาแจงเป็นสังสารวัตทั้งสิ้นเลยในงานนี้ใช่ไหมคะโยมไม่ต้องทำโยมไม่ต้องทามาเป็นขั้นตอนในรื่องนี้แล้วขั้นตอนนี้มควร แล้วแต่จะตั้งก็มันแล้วมันเป็นไหมแก้งพูดบิดให้เป็นหรือมันเป็นจริงๆมันเป็นเนาะพอเป็นอย่างนั้นแล้วนั่นแหละยึด เอางี้นะวเวลาเวลามีโลหิตเกิดขึ้นในร่างกายนะเป็นโลหิตแล้วมีน้ำหนองตามในโลหิตนะ <laughs> ใช่อใชลองไปวิจัยถ้าใครถ้าใครวิจัยร่างกายได้ยิ่งยิ่งเห็นความมีราบเสื่อมลาบความเป็นไปของสัตว์ <laughs> ชัดเลยดยนะี <laughs> อ้อาจะมามีไตฮะตอนนี้ก็ เสื่อมจากไตเลใช่ไหมนี่นี้เรากระทานะต่อไปวิจัยก่อนเอาวันนี้อุทิศส่วนกุศลกันหน่อยอนี่นี่เกือบจะหกโมงเลยเนะี่ยโอ้โหใช้เวลายาวนาะนอ่ะอุทิศส่วนกุศลตั้งใจนะสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุด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 ทำให้แจ้งโลกุตาละรมก้าวในทันทีถ้าข้าพเจ้ายังเป็นผู้อาภาพอยู่ยังต้องท่องเที่ยวไปในวัตาสงสารขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดเป็นอันสมควรได้กัลยาณามิตรได้ฟังพระสัทธรรมได้ปฏิบัติตามควร และไม่เข้าถึงฐานะแห่งความอาภาพสิบดอย่างข้าพเจ้าไม่อยากเว้นทั้งห้าพึงยินดีในการรักษาสี่ไม่ก่อเกี่ยวในกามาคุณทั้งห้าพึงเว้นจากเปลือกตมกาวคือกาวขอให้ข้าพเจ้าไม่พึงประกอบด้วยทิฏฐิชั่วพึงประกอบด้วยทิฏฐิที่ดีนะไม่พึงครบมิตรชั่ว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 เป็นผู้ฉลาดในอูบายแห่งความเสื่อมและความเจริญเป็นผู้เชียบแหลมในอัดและธทรรมขอให้ญาณของข้าพเจ้าเป็นไปไม่ขาดคล้องในธรรมที่ควรรู้ดุดลมพัดไปในอากาศจันนั้นความปรารถนาใดๆของข้าพเจ้าที่เป็นกุศลขอให้สาเร็จโดยง่ายทุกเมื่อ